แบบนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไประยะแห่งคําถามของอาจิมันมโนตอนต่อไปนั้นท่านถามว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกพ ร, พระพุทมีพระภาคเจ้ารับสั่งว่าทุกขเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โลกเป็นความจริงอย่างนี้ เมื่อบองกันในง่าของความจริงชั้นสูงสุดที่เรียกว่าปรมาตรศจะแล้วโลกนี้ก็คือกลุ่มของความทุกข์เพราะลักษณะของความทุกข์ตามความหมายของพระพุทธศาสนานั้นสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยรักษาสภาพเดิมของตนไว้ไม่ได้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ทุกขณะและมีอาการแผดเผาก่อให้เกิดความร้าเรอนแก่สิ่งเหล่านั้นแก่บุคคลเหล่านั้นแก่สัตว์เหล่านั้นสิ่งสภาวะเหล่านั้นเรียกว่าเป็นทุกข์ดังนั้นพระวจิราเทรีภิกษุณีซึ่งเป็นพระอรหันต์ไม่ได้กล่าวถึงโลกโดยสภาพที่แท้จริงท่านจึงกล่าวว่า แท้ที่จริงแล้วโลกท่ทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับปัญหาการดำรงชีวิตของบุคคลก็มุ่งหมายที่จะทําตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ในแต่ละจุด ข, ของการดำรงชีวิตแม้ในการศึกษาและการปฏิบัติธรรมในทางระพุทธศาสนา ก็มีเป้าหมายเช่นเดียวกันคือมุ่งที่จะบรรเทาความทุกข์กานบางเกิดขึ้นจนถึงกระจัดความทุกข์ในจุดนั้นนั้นให้หมดสิ้นไปแม้การศัสรูของพระพุทธเจ้าก็เป็นการศัสรูเรื่องความทุกข์เหตุแห่งความทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์คสอนในพระพุทธศาสนาทั้งหลาย จึงเป็นไปในหัวข้อใหญ่ทั้งสี่ข้อดังกล่าวแล้วเรื่องของทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกและข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกความทุก์โดยเสื่อภาพและทุก์ที่จรมันก็เป็นไปอย่างบทที่สุดกันว่าแม้ความเกิดเป็นทุกความแก่เป็นทุกความตายเป็นทุกความโศกความรำไรเป็นต้นก็ถือว่าเป็นความทุก ประเด็นของความทุกนั้นได้ทรงชี้แจงแสดงไว้ในชั้นต่างๆเพื่อเกิดความเข้าใจของบุคคลในแต่ละระดับสําหรับสูตรที่สวดกันในอริยสัตว์นั้นก็ทราบกันแพร่หลายแล้วในที่นี้จะได้กล่าวถึงทุกโดยประยายหนึ่งตามที่ทรงแสดงเอาไว้ข้อนี้จะพบว่าเมื่อเราจำแนกแสดงความทุกออกไป ก็จะได้เป็นสามกลุ่มใหญ่ด้วยกันกลุ่มแรกที่เรียกว่าสภาวะของความทุกข์คือสิ่งอะไรก็ตามที่มีอาการดังกล่าวแล้วข้างต้นสิ่งเหล่านั้นก็ตกอยู่ในเงื่อนไ ข, ขเหล่านี้แม้ภูเขาแม้ต้นไม้แม้แต่โลกเองหรือ ด, ดวงดาวทั้งหลายก็ตกอยู่ในกฎของความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัย มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่ทุกขณะมีอาการแผดเผาสําหรับสิ่งที่มีชีวิตก็จะเสวยทุกขเวทนาเป็นความรับรอนเพราะความทุกข์ที่เอานามาพูดกันส่วนมากแล้วจะเป็นทุกขเวทนาจึงมักแปลวความทุกข์กันว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าความทุกข์แต่โดยหลักที่สงสดงไว้แล้ว ครบคาย ข, ของความทุกขนั้นได้ครอบงำสรรพสิ่งทั้งหลายไว้อย่างที่ทรงแสดงว่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์ซึ่งก็หมายความว่าสิ่งใดก็ตามที่ยังได้ชื่อว่าเป็นสังขารคือมีเครื่องปรุงแต่งมีการปรุงแต่งมีองค์ประกอบเข้ามาหลายๆอย่างสิ่งเหล่านั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นความทุกข์ทั้งนั้นทุกข์อีกประการหนึ่งเป็นความทุกข์ที่เกี่ยวข้องกับร่างกายของบุคคล ที่ท่านเรียกว่าพยาธิทุกข์คือทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากโรคภัยไข้จเจ็บเบียดเบียนด้วยประการต่างๆร่างกายของคนเรานั้นบางครั้งทรงสอนให้บุคคลมองดูว่าโรคอนิจจังคือรังของโรคมีโรคนานาชนิดที่สิงสู่อยู่ในร่างกายของบุคคลเราคอยโอกาสที่จะเบียดเบียนประทุสราย ให้ร่างกายของบุคคลเหล่านั้นทุกคนอราภาพไปเรียกว่ากันว่าอาหารเป็นอำนาจที่เรารับเข้าไปรับประทานเข้าไปนั้นส่วนหนึ่งก็กลายเป็นอาหารของพวกพยาธิที่สิงอยู่ในร่างกายคนและเมื่อร่างกายอ่อนเพียเพ้ยเพร่แรงลงในยามใดพวกเหล่านี้ก็แสดงตนออกมาทำอันตรายแก่ร่างกายของบุคคลพยาธิทุกตัวเดียวก็มีปัญหามากมาย การศึกษาการหาความเข้าใจในเรื่องนี้แม่เรามองจากภาพที่ปรากฏอยู่โดยปกติในโลกในสังคมก็จะสายภาพนั้นย้อนกลับเข้ามาหาชีวิตที่แท้จริงว่าคนในโลกนี้ถูกความเจ็บป่วยความไข้ที่มีอาการต่างๆเบียดเบียนอยู่เป็นนันหนักจมองดูว่า คนไทยจ่ายค่ายาไปปีหนึ่งจํำนวนหลายพันล้านแต่จะตั้งปัญหาถามว่าทําไมจึงต้องจ่ายค่ายามากมายเช่นนั้นแล้วก็ตอบได้ว่าเพราะมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยกันมากมีโรคมากและปะัญหาที่ปรากฏอยู่ในสังคมปัจจุบันที่สร้างความมิตกกังวลให้แก่ผู้รับผิดชอบต่อสวัสดิภาพของสังคมปัญหาสีประการเหล่านั้นปนัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บ ก็เป็นหนึ่งในสี่ที่ได้ครอบงำสังคมไทยอยู่ซึ่ก็หมายความว่าแท้ที่จริงแล้วไม่ได้มีเฉพาะในสังคมไทยเท่านั้นสรุปรากฏอยู่ในที่ใดก็ตามปัญาที่ทุกข์ทุกข์คือการเจ็บไข้ในป่วยที่เกิดขึ้นกัร่างกายก็ย่อมมีอยู่ในสถานที่นั้นในบุคคลเหล่านั้นทุกประเภทนี้บางครั้งทรงใช้คาว่านิพพัตเตทุกข คือทุกเนื้องนิดที่จะต้องปรากฏขึ้นแก่บุคคลทุกขณะเน้นไปในด้านของทุกขเวทนาที่บังเกิดขึ้นเช่นน้อยหิวข้ารับประทานเข้าไปมากแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับรับประทานจะต้องมีการขับถ่ายมากเกินไปก็เดือดร้อนจะต้องหายามาช่วยย่อยอาหารเหล่านั้นเป็นตน้นพวกเหล่านี้บุคคลจะต้องแก้ไขกันตลอดชีวิตของตนอย่างที่พูดว่า ธรรมดาของสัตว์โลกประการหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของการกินปัญหาเรื่องการกินการขับถ่ายการแก้ปัญหาในเฉพาะเรื่องปากเรื่องท้องของบุคคลเพียง อ, อย่างเดียวก็เป็นทุกข์ด้านประการแล้วทุกเหล่านี้เป็นทุกหนึ่งนิดที่จะต้องแก้ไขเหมือนยานพาหนะที่จะต้องอาศัยเครื่องประกอบต่างๆและจะต้องหยอดน้ํามันกันอยู่เรื่อยไปตราบใดที่ยังมีการเดินทางอยู่ ทุกอีกประการหนึ่งที่เรียกว่าอาหารปริยัตทุกคือทุกที่เกิดขึ้นจากการสแสวงหาอาหารมองดูการใช้ชีวิตของบุคคลทั้งหลายในโลกนี้แล้วจะเห็นได้ว่าการสแสวงหาอาหารมารับประทานนั้นเป็นเรื่องใหญ่ใ น, ในกรณีของสัตว์เดรัจฉานแล้วยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเรื่อกินนั้นเป็นเรื่องใหญ่บ้าชีวิตของแก่ผูกพันอยู่กับเรื่องกินเป็นหลักใหญ่ แม้ชีวิตของคนก็มีความเกี่ยวข้องอยู่ด้วยเรื่องของอาหารในการสแสวงหาอาหารต้องต้องอาศัยวิชาความรู้สติปัญญาไหวพริบปฏิพัณธ์รู้แหล่งที่จะได้อาหารและรู้รู้วิธีการที่จะได้อาหารแบบนั้นซึ่งบุคคลต้องประสบความทุกข์กับการศึกษากับการค้นคว้าการสแสวงหาการลงทุนลงแรงการรวบรวมสมัครพักพวกการใช้สติปัญญาเป็นต้น เพียงเพราะแสวงหาอาหารเท่านั้นเองและในการแสวงหาอาหารเหล่านั้นต้องเป็นการลงทุนด้วยความทุกข์ทรมามีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยที่คนต้องตายเพราะการแสวงหาอาหารต้องตายไปเพราะเห็นแก่อาหารต้องตายเพราะความอยากกินอาหารเหล่านั้นซึ่งก็หมายความว่าจากอาหารนั่นเอง ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดความทุกข์ที่สืบเนื่องกันไปเช่นทุกข์ในการต่อสู้การราดประหารกันเพื่อได้มาซึ่งอาหารความทุกข์ทรมานเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าที่เกิดขึ้นเพราะสแสวงหาอาหารความทุกข์ในการขัดแย้งกันในการต่อสู้กันความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารที่เป็นพิษเข้าไปเป็นต้นนี่เป็นเรื่องราวในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และยิ่งกันไปกว่านั้นเจอพบ ว, ว่าเรื่องของอาหารให้ความสุขแต่เพียงเล็กน้อยแต่ให้ความทุกข์มากมายล้วยกันพระพุทธเจ้าทรงจัดกลุ่มอาหารว่าเป็นตามะคุณคือกลุ่มที่บุคคลใครป่ประกัดแต่ว่าในขณะเดียวกันทรงชีเห็นว่าั้งนี้สุขแต่น้อยแต่ก็มีทุกข์มากไม่ต้องดูอื่นไกลแม้แต่การจัดงานวันเกิดบางครั้งบางคราว เป็นทุกข์เดือดร้อนในขั้นตอนของการตระเตรียมเพื่อจะเลี้ยงกันเราวสักชั่วโมง ก, กว่าเท่านั้นเองต้องใช้เวลากันนานหลายวันระดมคนมาเป็นนั้นมากและในขณะรับประทานจริงๆเราใช้เวลาไม่นานนักพอหลังจากนั้นจะต้องเหน็ดเหนื่อยจะต้องเดือดร้อนวุ่นวายกับการเก็บการล้างการส่งพัชนะต่างๆเป็นต้นนี่จะพบได้ว่าชีวิตของบุคคลเรานั้น มีความทุกข์ที่เป็นภัยใหญ่จริงๆแต่ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นความยากไร้ที่เกิดขึ้นในการดำรงชีวิตของบุคคลซึ่งเป็นปัญหาอีกประการหนึ่งในการดำรงของในการดารงชีวิตของบุคคลภายในสังคมพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าความยากไร้และความยากจนนั้นเป็นทุกข์ในโลกซึ่งเป็นภาพที่บุคคลสามารถมองเห็นได้ว่า ใครก็ตามที่ตกอยู่ในสภาพขาดแคลนจะมีความทุกข์ที่เกิดขึ้นทั้งในส่วนร่างกายและในส่วนของจิตใจความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลในด้านต่างๆนั้นได้ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกายโดยตรงถึงได้หากว่าแก้ปัญหาในส่วนนั้นออกไปได้บุคคลก็สามารถบรรเทาความลุกทุกในส่วนนั้นได้ แต่ความทุกข์จริงๆนั้นเกิดขึ้นจากใจที่ทรงใช้คำว่าเจตสิกดทุกข์คือทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลทุกอย่างที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์แม้แต่ที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายถ้าหากว่าใจของบุคคลได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีแล้วจะให้แกเป็นทุกข์ก็ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีทุกขเวทนา เพราะาทุกโดยสภาพนั้นไม่ต้องพูดอะไรคือแม้แต่ตัวความสุขเองก็เป็นทุกข์ประการหนึ่งระดับของชาวโลกตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะความสุขเองก็เกิดขึ้นจากปัจจัยเข้ามาประกอบกันหลายๆอย่างจึงจะเรียกว่าสุขแต่บุคคลก็ดํารงความสุขจุบไม่ได้นานความสุขที่เกิดขึ้นจะทําหน้าที่แผดเผาความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นให้เจือจางบอบบางลงไปแต่ว่าในาที่สุด แกก็รักษาสภาพของแก่ไว้ไม่ได้อีกก็ต้องเปลี่ยนเพราะ air, ระดับของโลกิยะความสุขที่เราพูดกันนั้นเป็นเรื่องของความทุกข์ที่ลดลงเท่านั้นเองยามใดที่ความทุกข์ลดเราก็เรียกว่าความสุขคล้ายคากับยามใดที่ความร้อนลดเราก็เรียกว่าความเย็นเรียกว่าความหนาวเป็นต้นถ้าลดมากๆเราก็เรียกว่าความหนาวซตัวอาการเหล่านั้นเป็นเรื่องของความร้อนที่ลดลงมาเท่านั้นแต่ว่า ในชั้นของการดำรงชีวิตซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่และบุคคลที่จะบุคคลจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่เรียกว่าเจตสิกทุกข์นั้นถ้าหากว่าใจได้รับการฝึกปลือได้รับการอบรมมีปัญญาเป็นหลักในการคุ้มครองใจแล้วความทุกข์เป็นอันมากจะไม่มีพิษสงอะไรต่อบุคคลเหล่านั้น ท่านี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่ามีความทุกข์ทางใจเป็นอันมากหรือแม้ความทุกข์ทางกายเป็นอันมากด้วยอาศัยหลักของโยงนิโสมนสิการคือการทำในใจไว้ด้วยบาลแยบคายมีเหตุมีผลพิจารณาในเชิงที่เทียบเคียงหรือพิจารณาในถึงโทษที่ยิ่งขึ้นไปกว่าแต่ว่าเรายังไม่ประสบกับโทษตอ น, นั้น จะทำให้จิตใจของบุคคลสบายลงไปตัวอย่างในกรณีที่บุคคลประสบความเจ็บไข้ได้ป่วยที่เกิดขึ้นจากพยาธิทุกข์ก็ดีด้วยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการสแสวงหาอาหารมารับประทานเดียวกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการสแสวงหาปัจจัยสี่ก็ดีนั่นในกรณีของการมองเปรียบเทียบจะเห็นในวันในขณะที่เราประสบความทุกข์อยู่นั้น มีเพื่อนเราเป็นนั้นมากไม่ต้องขีดโปงให้ไกลออกไปคือในประเทศไทยนี่เองมีความทุกข์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากมายแล้วเกินมากกว่าที่เรากำลังประสบอยู่แต่คนเหล่านั้นก็ทนได้เขาอยู่ได้ทำไมเราซึ่งมีทุกข์น้อยกว่าเขาจะทนอย่างนั้นตั้งไม่ได้ครนีจะสังเกตได้ว่าอย่างเช่นความทุกข์ในเรื่องรายได้ไม่พอจ่ายของบุคคลทั้งหลาย จึงพูดไปพูดมาไม่รู้ว่ารายได้เท่าไหร่จึงจะพอตายสักทีหนึ่งแต่ในขณะที่บุคคลมีเงินเดือนตั้งหลายหลายพันแล้วก็บ่นว่ารายได้ไม่พอจ่ายนั่นมีพี่น้องของเราเป็นนั่นมากที่บางวันไม่มีไรายได้เลยเลยและมีไรายได้ไม่พอจ่ายจริงๆในลักษณะที่หาเช้ากินขําหรือบางทีหาวันหนึ่งก็ไปกินอีกวันหนึ่งเป็นต้นนั้น คนเหล่านั้นถ้าเทียบเคียงในด้านความทุกข์แล้วก็ประสบความทุกข์เหลือเกินที่อยู่ที่อาศัยเครื่องนุ่งคลมยาที่จะบําบัดโรคภัยค่าเจ็บที่เกิดขึ้นแก่ตนแก่ครอบครัรวของตนนั้นลวนแล้วแต่มีความทุกข์ในในกรณีนั้นๆมากนะแต่เขาก็ดํารงอยู่ได้เขาสามารถรเผชิญความทุกข์นั้นได้ เมื่อมาเทียบเคียงกับเราแล้วมองลงไปข้างล่างเพื่อนที่เดือดร้อนกว่าเรานั้นมีมากแ น, น่แต่ว่าตามปกติแล้วคนเราจะมองไปข้างหน้าคือมองขึ้นสูงเป็นการดิ้นทะเลทะเยอทยานของใจด้วยการาตันหาภาวะตันหาที่บังเกิดขึ้นเห็นคนอื่นเขาได้เมื่อรู้สึกว่าเราได้น้อยกว่าเขาก็เป็นทุกข์ใจเมื่อเห็นคนอื่นเขาเป็นเราเป็นเล็กกว่าเขาก็เกิดความทุกข์ใจ ได้สิ่งที่เราไม่อยากเป็นก็จำเป็นต้องเป็นก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเป็นตน้นแต่ในกรณีมอ ง, องการเปรียบเทียบดังกล่าวแล้วจะพบว่าความรุนแรงเป็นนันมากที่คนอื่นเขาประสบและเขาอยู่ได้เราประสบความทุกข์ความเดือดร้อนน้อยกว่าเขาก็ต้องอยู่ให้ได้ด้วยนั่นก็ขึ้นอยู่กับความคิดเป็นประการสาคัญ สิ่งทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นนั้นใจเป็นตัวกำหนดความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นแอนที่เคยกล่าวมาว่าในฉันกงการมองปัญหาที่รอบตัวบุคคล น, นั้นท่้นหนึ่งเป็นการมองในลักษณะตรงตัวคือเป็นอะไรก็มองกันเป็นอย่างนั้นแต่ในฉันกงการใช้ปัญญาตามแนวพูดจริงๆแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นอะไรไม่มีความสาคัญนัก สำคัญว่าเรามองแกอย่างไรเราเข้าใจแกอย่างไรและเราจะได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งที่เรามองนั่นนั่นคือหลักการที่สำคัญมากเพราะว่าในสิ่งเดียวกันนั้นพื้นฐานทางสติปัญญาของบุคคลไม่ทัดเทียมกันสํารั บ, บุคคลหนึ่งอาจจะรู้สึกเฉยๆหรืออาจจะรู้สึกเป็นสุขโดยซ้าไปได้วิชาความรู้จากเรื่องเหลานั้น แต่คนหนึ่งกลับประสบความทุกข์ทรมานเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเหตุนั่นหมายความว่าตัววัตถุภายนอกเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่าใจของบุคคลมีพื้นฐานแตกต่างกันมีการกําหนดหมายมีความเข้าใจมีความยึดถือในสิ่งเหล่านั้นแตกต่างกันจึงก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นภายในจิตใจของบุคคลมากบ้างน้อยบ้างจนบางคนไม่ได้มีปัญหาอะไรขึ้นมาเลยดังนั้นในกรณีนี้เจ้าพระพา ที่พระพุทธเจ้าทรงสรุปคือความทุกข์จะชี้แจงออกไปเป็นนั้นมาบางหมวดก็แบ่งเป็นสิบบางหมวดก็แบ่งเป็นเพริงกิเลสสามเพริงทุกแปดกองบางแห่งก็แบ่งเป็นสองบางแห่งก็แบ่งเป็นสามบางแห่งก็แบ่งเป็นห้าก็แล้วได้จะแบ่งแต่ตัวการสำคัญนั้นอยู่ที่จิตของบุคคลซึ่งไปยึดมั่นหรือมั้นในสิ่งเดียดนวยึดในฐานะอะไรยึดอย่างไร ถายุดว่าของเรายึดได้ในขอบขายบ้างน้อยแค่ไหนเพียงไรถ้าหากว่ายึดเลยเลยเกินขอบขายไปความทุกข์ก็บังเกิดขึ้นคราวนี้ให้ลองสังเกตพื้นฐานธรรมดาสามัญที่พระพุทธเจ้าทรงสอนระดับชาวบ้านชาวบ้านระหว่างมันดาบิดากระบุตริดาในขณะที่ดํารงชีวิตอยู่นั้นให้ปฏิบัติเกื้อกูลต่อการโดยความเอื้อเฟือ้อ ซึ่งก็หมายความว่ายังมีความยึดความถืออยู่พ่อแม่ก็ถือว่าลูกของเราลูกก็ถือว่าพ่อแม่ของเราแต่ว่า้วยการปฏิบัติกันโดยความเอือเ้อเฟื้อนั่นเองความสุขความสบายก็จะบังเกิดขึ้นในระดับของการครองเดชยามพ่อแม่ท่านตายไปทรงใช้คําว่าเมื่อท่านทํากาลกิริยาตายไป ก็ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้ซึ่งหมายความว่าใจก็ยังยึดว่าพ่อแม่ของเราแต่ว่าต้องเพิ่มความจริงก็อีกจุดหนึ่งให้ได้ว่าพ่อแม่ของเราตายแล้วพ่อแม่ของเราตายไปแล้วสําหรับพ่อแม่ของเราที่ตายไปแล้วนั้นทํำยังไงพระพุทธเจ้าสอนให้ทํำยังไงสอนให้ร้องให้เสียใจคขมขวนปริเวธนาการไปด้วยประการต่างๆหรือให้ทําอย่างไงก็จะเข้าใจว่าเปล่าเลยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้น พระเจ้าสอนว่าเมื่อท่านตายไปแล้วก็ให้ทำบุญอุทิศกุศลส่งไปให้แต่ถ้าปฏิบัติผิดคือยังไปยึดอยู่ว่าเป็นพ่อแม่ของเราไม่ยอมมาท่านตายแล้วการร้องให้การเศร้าโศกการคำครวนจนถึงกับแบกความทุกข์ไว้ข้ามวานันข้ามเดือนข้ามปีก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าเพิ่มเึินอีกสองคว่าพ่อแม่ของเราตายแล้วพ่อแม่ของเราเหมือนกันแต่ตายแล้วต่อไปทาอะไร ก็ปฏิบัติไปตามนั้นความสุขใจความสงบใจในฐานะที่เป็นลูกกตัญญูได้ปฏิบัติภารกิจของตนต่อพ่อแม่ตนก็ได้ทำแล้วจะเกิดความภาคภูมิใจความสบายใจข้อนี้จะเห็นว่าระดับโลกนั้นไม่ได้หมายความว่ายึดตลอดหรือปล่อยตลอดแต่ว่ายึดในจุดที่ควรยึดรอในจุดที่ควรปล่อยแล้วก็ปรับใจในจุดที่ควรปรับใจ ความสุขความสงบก็จะบังเกิดขึ้นแกบุคคลผู้นัน้นแต่ถ้าหากว่าไปเพ่งเล็งไปมุ่งมาดปรารถนาตะเกณจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้และในที่สุดก็จะกลายเป็นขยะทางอารมณ์เก็บสะสมเอาไว้ภายในจิตใจก็กลายเป็นอาหารค้างวานันค้างคืนกลายเป็นปราราค้างปี เป็นขยะที่เก็บสะสมเอาไว้หลายหลายเดือนในที่สุดก็กลายเป็นสิ่งที่สร้างความเดือดร้อนอึดอัดขัดข้องให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของบุคคลคราวๆที่มีการพูดกันว่าคนไทยเราอยู่ในสภาพขวนเกดเจิงคนไทยไปเชื่อถือในเรื่อง ทรงเจ้าเข้าผีสิงศักดิ์สิทธิ์หมอดวงประพรมน้ำมนต์ต่างๆเพิ่มขึ้นว่ากันว่ามีตัวเลขถึง 73% ซถ้าลองวิเคราะห์เจาะลึกลงไปจะพบว่าเป็นการยึดติดเป็นการแบกอุ้มอารมณ์เอาไว้เป็นนั้นมากแม้บางครั้งบางคราวได้ยินหมอก็ทำนายทายทักอย่างนั้นอย่างนี้ที่จริงหมอบอกว่าอนาคต แต่เราก็ไปทุกล่วงหน้าไว้และจะจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้เลยทําไปซึ่งข้อ น, นี้สามารถที่จะเทียบเคียงได้หมอกรทายอย่างนี้ไปดูหมอขอดูก็เหมือนกันหรือเปล่าถ้าหมอสิบคนทาเหมือนกันเพี้ยหมดทั้งสิบคนก็พอฟังได้แต่ถ้าไปลองที่สุดแล้วจะพบว่าหมอสิบคนก็ทายไปสิบอย่างแล้วใครจริงถ้าเราเชื่อหมอหมดทุกคนในที่สุดไม่ใช่แบกขามเถิน แ้วก็มารวมมาต้มกันใหญใใ่ในที่สุดก็กลายเป็นความเครียดทางอารมณ์เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในจิตใจั้งตัวเองสร้างภาพร้อนขึ้นมาให้แก่ตัวเองเรียกว่าสร้างผีขึ้นหลอกตัวเองซึงมีอยู่เป็นจํานวนไม่น้อยที่การเก็บกดเรื่องราวต่างๆเอาไวน้นี้และในสุดหูก็แว่วว่าได้ยินเสียงคนมากระซิบที่หูบ้างมาด่าบ้างมานินทาบ้าง มาเตรียมจะฆ่าเราบ้างพอเก็บกฎมากข่าวในที่สุดก็ควบคุมความคิดไว้ไม่ได้กลายเป็นอาการทางจิตประสาทซึ่งเรื่องทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการสร้างภาพขึ้นหลอกตัวเองเป็นการยึดติดในลักษณะสะสมหมักหมมไว้ภายในจิตใจของตนดังนั้นพระพุทธมีประภากดาจึงทรงสดแสดงให้พุทธบริษทัททั้งหลายทราบว่า จิตใจที่บุคคลตั้งไว้ผิดนันเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตอย่างยิ่งโจรกับโจรมาเจอกันจูตที่เป็นคู่อาฆาตมาเจอกันที่ทางแคบแม้คนเหล่านั้นจะทำอันตรายต่อกันอย่างดีก็แค่ตายแต่นั้นเองแต่ว่าจิตที่ตั้งไว้ผิดคิดผิดมีความเห็นผิดจะกัดกร่อนจิตใจของบุคคล อบอุ้มความทุกข์ไว้สารพัดทั้งที่ทุกข์อดีต ท, ทุกที่อนาคตวิตกกังวลถึงทุกในทุกที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเป็นต้นความสงบก็จะไม่บังเกิดขึ้นดังนั้นพ ร, ระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงสรุปความทุกข์ที่จำแนกแยกแยะออกไปโดยประยายต่างๆว่าสังกิเ ต, ตนะปันจุ ป, ปาทานะขันถาทุกข์ข่าวเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้ว จิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขานทั้งห้า น, นั้นเองเป็นความทุกข์ถ้ารู้จักปล่อยรู้จักวางหรือยึดในจุดที่ควรยึดปล่อยวางในจุดที่ควรปล่อยวางปรับใจให้ได้ในจุดที่ควรปรับใจก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาความทุกข์ทางใจประเภทที่เรียกว่าเจตสิกทุกข์ลงไปได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชั้นของการดารงชีวิตอาการเครียดทางอารมณ์ เกิขึ้นจากความเก็บกดอารมณ์ต่างๆเอาไว้แล้วไม่ยอมปล่อยวางสัตทีทั้งๆที่รู้ว่าเก็บเอาไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วก็แก้ปัญหาอะไรไม่ได้เรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็คือเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเรื่องที่ยังไม่เกิดก็คือเรื่องที่ยังไม่เกิดไม่ใช่ว่าไปเอาเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมาตอกย้ำใจให้เกิดซ้ําซ้อนขึ้นมาเรื่องเรื่องที่ยังไม่เกิดก็มาปรุงคิดคิดปรุงให้เกิดขึ้น แลในที่สุดเรื่องสมเรื่องก็มาหมกมุ่นวุ่ น, นวายสับสนอยู่ภายในจิตใจซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้แล้วความทุกข์ก็จะต้องเกิดขึ้นการปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนาจุดมุ่งหมายในการบรรเทาทุกข์ก็คือว่ารู้จักปล่อยวางความเป็นของเราความเป็นเราหรือความเป็นตัวเป็นตนของเราให้ได้ในบางโอกาสบางขณะและอะไรที่เป็นของเราถ้าดับไปแล้วก็ของเราดับแล้ว อะไรที่มุ่งหมายว่าของเราถ้ายังไม่เกิดก็เป็นของเราที่ยังไม่เกิดและในที่สุดก็จะมาสงบอยู่เฉพาะปัจจุบันเท่านั้นเองเมื่อปล่อยวางอดีตได้ไม่เพ้อขวัญไม่ไขว้คว้าถึงอนาคตจิตกาหนดอยู่ในเรื่องปัจจุบันภารกิจอะไรที่มาถึงในปัจจุบันก็ปฏิบัติภารกิจเหล่านั้นไปทุกอันเป็นภายใหญ่ก็ชื่อว่าด้รับการบรรเทะงับ ลดความรุนแรงลงไปจนถึงสามารถดับลงไปได้ในที่สุดแต่ประการที่สำคัญบุคคลจะต้องมองให้เห็นว่าทุกนั้นเป็นภัยใหญ่ของสัตว์โตกที่แท้จริงเพราะถ้าไม่มองเห็นว่าเป็นภยัยเป็นอันตรายแล้วการหลีกเลี่ยงการบรรเทาความทุกข์ก็จะไม่บังเกิดขึ้นเหมือนบุคคลไม่รู้ว่าไฟร้อนโอกาสที่จะถูกไฟลวกนั้นมีได้ง่ายฉะนั้นต่อแต่นี้ไป ก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป